ไม่ได้เราเห็นมันมันไม่เป็นมเป็นไงเนี่ยเนี่เราจะดูด้วว่ามันจริงๆเลยดูด้วว่าสอนแล้วมันยังทําไม่ได้เพราะอะไรอ๋อไหนลองหม่ดูดิอ๋อจริงๆเลยมันไม่ได้เพราะอะไรเห็นจิกจิกจิกจิกจิกแล้จิตข้างในมันก็ไม่สงบมันมันความรู้สึกตัวมันขาดมันนั่งแต่นั่งมือคิดไปเนี่ยคือหนูนั่งพิจารณากายอะค่ะของตา พิจารณากายนั่งเมื่อทีอมีช่วงหนึ่งสติขาดพอสติขาดปุ๊บจะไปภาพนู่นภาพนี้เลยค่ะแล้วก็พอมาได้ยินเสียงธรรมชาติก็จะชุดกลับมาแต่หนูไม่ได้เมื่อทีเมื่อกี้ได้ินหนูตาบ อ, อกให้พุโทโธพุโทโธถึงค่อยมาพุโทโธพุโทโธเออลองพุโทโธพุโทโธใหม่ไ ป, ไปพินาการจิตกำลังจิตมันไม่ดีเพราะว่าพิจนากายเลยกําลังจิตมันเอาไม่อยู่มันไม่สามารถที่จะมีความสงบพอที่จะ จดจ่ออยู่การพ crystal, ิจารณาการกัดติดจดจ่อจดจ่อกับติการพิจาราาได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะว่ากําลังจิตมันยังไม่พอที่จะสามารถที่มันจดจ่อกัดติดจดจ่อจดจ่อกับติดการพิจากาาแยกแยกกายเห็นนอกปุพพังยังต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนี้เราบริกรรมพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตพุโตได้ความรู้สึกตัวให้มันเร็วเ็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่มันยังสติอมันค่อยขาดบ่อยๆแล้วเมื่อเผลอเพลอคิดไปก็เล่ง เร่งบริการพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วขึ้นอีกให้มันแบบว่าให้มันรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นอีกได้ไหยอะไรเงี้ยไดลองทำนะเ อ, อแล้วก็บริการเนี่ยให้มันแตะรู้คําบริการพุทโธเบาๆเบาๆให้เบาๆให้กายเบาใจเบาเออ น, นี่อันนี้ต้องพิมพ์เข้าไปตอนมันเบาๆมากเลย ต้องให้มันแตะรู้คําบริกรรมพุทโธให้มันเบาเบามากๆให้กายเบาใจเบาให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบายว่าแต่ความรู้สึกตัวต้องไม่ขาดเบาเท่าไหร่ก็ตามแต่ความรู้สึกตัวต้องไม่ขาดแต่ต้องให้แตะรู้คําบริกรรมพุทโธเบาเบาให้เบาที่สุดที่จะเบาได้แล้วก็พุทโธเนี่ยพุทโธให้เร็วเร็วแต่ต้องแตะรู้คําบริกรรมพุทโธเบาเบาใ้เบาทจเบาได้แลก็พุเนี่ยพุทโธให้เร็วเวแต่ต้องแรู้คำกรรมพุา้เบาท่สุดว่าขาดตอน อ๋อย่างนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจซักละเอียดนะเดี๋ยวนึงทำไม่ถูกเข้าใจไหมจะได้พอเข้าใจแล้วได้นั่งทำคือเวลาหนูบริกรรมคำภาวนาพุตโเจ้ค่ะคือหนูพูดในใจหรือว่าต้องแบบเป่งเสียงออกมาเจาค่ะไม่มันบุตรบุตรบุตรบุตบุตถ้าไม่ไม่รบกวนใครมากเกินไปก็ไม่ได้ยังไงนะ คือหนูพูดในใจหรือว่าสามารถแบบเป่งเสียงออกมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคะเออได้ไถ้าเราไม่ ique, ไม่รบกวนคนอื่นนะพุ่มพอมพุ่มพอมปากขบุขมิบได้ไม่แต่เรามันเป็นนามสติกรรมที่มันเปรบกวนคนอื่นถ้าไม่รบกวนคนอื่นนะอยู่ไกล้ๆพุทโธได้เลยพุ่มพอมพุมพอมพุมพอมดังได้ก็ได้แต่ถ้ามันานั่งใกล้ๆกัก็พุทโธเบาๆก็ได้หนูตาจ๊ะคะเวลาเราเดินหรือเราทําอะไรแล้วเราพูด INE, พุทโธไปตลอดเพื่อให้จิตมีสมาธิ ได้เพื่อจะให้ความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องไม่ขาดสายืถ้าความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะมันจะเป็นสมาธิเองอย่าไปสนใจเรื่องสมาธิอย่าไปสนใจว่าจิตจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิให้สนใจว่าความรู้สึกตัวเนี่ยบริกรรมพุทโธด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวยังต่อเนื่องไม่ขาดสายไหมถ้าความรู้สึกตัวเนี่ยยังต่อเนื่องไม่ขาดสายมันจะมีสมาธิต่อเนื่องไม่ขาดสายปัญญาต่อเนื่องไม่ขาดสายเพราะว่าสติ ขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำจะขาดถ้าสติมีสมาธิก็จะมีปัญญาก็จะมีธรรมก็จะมีสติก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละให้มันรู้สึกตัวยังต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่สมาธิมันก็จะต่อเนื่องไม่ขาดสายสติอย่างเดียวเลยสติอย่างเดียวหนูบางทีนึกได้ทีเวลาเดิน ที่ทํางานก็จะพูดโธพูดโธพูดโ ธ, ดโธวลาขึ้นบันไดอะค่ะแต่บางทีก็ลืมเจ้าค่ะนั่นแหละไอ้ที่ลืมเนี่ยคือความรู้สึกตัวมันขาดเราไม่ได้สังเกตไว้ไม่สังเกตไปตลอดเวลาว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันยังขาดไหมสติเป็นตัวสังเกตตัวสัมปัจัญญาคือความรู้สึกตัวสัมปัจจัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือความรู้สึกตัวอยู่สติเป็นตัวสังเกตสติสัมปัจัญญา เ, เนี่ยมันใช่คู่กัน สติเป็นตัวตั้งเกตไว้ว่าความรู้สึกตัวยังอยู่ไหมมาเลยเพราะไอตัวสติเนี่ยมันมีอยู่มาเลยทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่ได้เพราะว่าสติมันเป็นตัวตังเกตลอดเวลาว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมกับคําบริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวไหมถ้าเราเนี่ยไม่มีสติเป็นตัวตังเเกไว้เนี่ยมันก็ทิ้งความรู้สึกตัวไปคิดอะไรเพลินเหม่อเพลินเพิไปตั้งนานแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกตัวมาสักทีเอ สติเนี่ยมันเป็นตัวตังเกตไว้ถ้ามีสติอยู่มันก็ตังเกตไว้ตลอดเวลาทีนี้ถ้ามีตัวสังเกตตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่ขาดความรู้สึกตัวมันเท่ากับสองชั้นเลยคือสติเป็นตัวสังเกตไว้แล้วก็บริกรรมพุทโธด้วยความรู้สึกตัวสติเป็นตัวตังเกตไว้บริกรรมพุทโธด้วยความรู้สึกตัวมันเลยชั้งสติสัมพชัญญะเนี่ยสติเป็นตัวตังเกตไว้ความรู้สึกตัวเป็นสัมพชัญญะสติสัมพพัญญะมาเลยสองชั้นมันเลย ช่วยทําให้จิตเนี่ยมันอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธได้ไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นเข้าใจไหมเนี่ยแต่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบริกรรมแล้วก็เร่ ง, งความรู้สึกตั ว, ต ว, ตวให้กดหนักแช่ไปเลยนะไม่ใช่บอกให้กดหนักข่มไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกอะไรเลยให้มันนิ่งอย่างงี้นะผิดนะอันเนี้ยถ้าเราพยายามบริกรรมพุโทโธกดหนัก กดขมให้มันนิ่งไม่ให้มันคิดอะไรเลยอย่างนี่จิตรังสีจิตออกมาดํามืดเลยแล้วปวดหัวด้วยเราต้องแตะรู้เบาๆให้กายเบาใจเบาที่สุดที่จะเบาได้แต่ไม่ให้ความรู้สึกตัวขาดแล้วตัวสังเกตไว้เนี่ยว่าความรู้สึกตัวยังอยู่ไหมยังบริกรรมพุทธโทธด้วยความรู้สึกตัวไหมเนี่ยต้องไม่ขาดว่าขาดตอนเลยเจค่ข้าใจไหมเข้าใ จ, ใจเจ้าค่ะลองทำดูสิ อเข้าใจแล้วต้องลองทําดูแล้วเราจะดูที่ว่าสอนแล้วมันทําไม่ได้เพราะอะไรเอา้าเอา้ไอ้เจ้าเวินถามซะก่อนเดี๋ยวทำํำไปทำไปผิดถูกๆูกเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวดังทําไปเลยทำไปผิดถูกถูกเข้าใจค่ะหลองตาเข้าใจทําไปแล้วนะอ๋อน๋ยงลองทำซิอ้าวคนอื่นถามก่อนอย่าเพิ่งนังทําไปเลยเอ้าทุกคนอ่ะเข้าใจไหมในที่อธิบายเนี่ยเข้าใจค่ะคือ โยมก็คล้ายๆของน้องเขาคือแบบแต่ว่าจิตมันไวกว่าคือถ้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยถ้าพุโทโธจะช้าเนี่ยมันคล้ายๆกจะอัดตัวเองมันอึดอัดต้องไว้ไว้อย่างลงตาว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธอย่างเงี้ยแะคะ่ะมันจะอยู่กับพุโทโธแต่ถ้าจะช้านี่มันมันอัดตัวเองมันอึดอัด<ม>ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไวๆขึ้น แต่ทำงานก็บางครั้งมันก็หลุดแต่ก็ไวรู้ตัวไวกว่าเก่าค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเมื่อกี้ฟังหลวงตาแล้วว่ามันต้องมีสติควบไปกับพุโทโธด้วยมันถึงจะอยู่ได้ตลอดอถ้าไม่ไม่มีสติก็จะหลุดจะโยบกจะกดหนักไปความอยากให้จิตมันนิ่งคือไป ต, ตั้งเป้าหมายที่จิตนิ่งของโยบกเนี่ย คือพอไปตั h Gottes, h ie ้งเป้าหมายที่จิตนิ่งแล้วก็จะไปเร่งบริกรรมพุทโธเร่งให้จิตมันนิ่งเลยรังสีจิตที่ออกมาเลยดำมืดไปหมดเลยแทนที่มันจะถูกต้องถ้าบริกรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันจะสว่างสวยววววววววววววววววววววววววววววววววมวววววววววววววววววววววอวววววววสววาววววววววววววววววบบบวาวววววววววววววัวววววววววววมวววว คือเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันผิดคือเราเราจะเอาเป้าหมายคือเอาจิตนิ่งเวลาลวงตาพูดเนี่ยมันก็เลยไม่ฟังเพราะว่าเป้าหมายเราจะเอาจิตนิ่งแต่ลวงตาบอกว่าจะเอาสติคือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเอาความรู้สึกตัวไม่ให้ขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นมันทํางานร่วมกันเนี่ยคือเรียกรวมกันว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเพราะมีส ต, สติควบคุมอยู่ นี้สติเนี่ยมันตัวควบคุมไว้เนี่ยมันมีสติควบคุมไว้ like ความรู New ้สึกตัวมันก็ทำงานร่วมกันกับสติมันเลยไม่ขาดว่าขาดตอนมันสองชั้นสติมันคอยสังเกตคอยควบคุมอยู่ตลอดเวลาว่ายังรู้สึกบริกรรมพุทโธด้วยความรู้สึกตัวไหมมันเลยเหมือนกับทำงานสองชั้นทำงานด้วยความรู้สึกตัวเพราะว่ามันต้องมีควา oui. มรู้สึกตัวอยู่เพราะสติมันคอยช่อช่วยสังเกตช่วยควบคุมเอาไว้ เนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องการให้สติเนี่ยมันไม่ขาดวักขาดตอนสติไม่ขาดวักขาดตอนเนี่ยมันก็บริการพุทโธพุทโธพุทโธได้ความรู้สึกตัวไม่ขาดวักขาดตอนต้องการตรงสติสัมปชัญญะถ้าก็พูดสติเนี่ยเป็นที่ละไว้ในความเข้าใจว่ารวมสัมปชัญญะด้วยเพราะมันใช้คู่การสติสัม ป, ช, ญญ ป, ช, ญญปชัญญะสติสัมปชัญญะทีนี้โยมพวกเนี่ยคือเป้าหมายอ่ะมุ่งจะเอาจิตจิตนิ่งลูกเมีเอจิตนิ่งไม่ให้มันคิดอะไร มันเลยผิดนะเพราะว่าเวลาพอฟังเนี่ยมันไม่มันแค่แค่มันปักทงไว้ผิดปักทงว่าว่าจะเอาจิตนิ่งไม่มันคิดอะไรตอนนี้พอบริการพอเริ่มต้นปมจิตนิ่งกึ๊บพอเริ่มต้นปุบจิตนิ่งก็บเลยเพราะว่ามันวางเป้าหมายไว้แล้วไม่ทันไม่มีแลสติอะ่ะไอสติที่จะรู้สึกตัวว่ามันยังบริการพุโทโธอยู่ไหมเนี่ยแต่มันบริการพุโทโธเร่งเร่งเพื่อให้จิตมันนิ่งทันที เข้าใจไหมเนี่ยคือเล่งบริการพุทโธแล้วเอาเป้าหมายว่าให้จิตมันนิ่งตอนี้มันก็พอเริ่มต้นมันก็เล่งให้นิ่งไปเลยอ่ะเล่งให้จิตมันนิ่งไปเลยแต่ที่จริงเนี่ยที่ให้มีพุทโธอยู่เพื่อล่อไว้เพื่อรอกความรู้สึกตัวไว้ตลอดเวลาแต่เราไปแต่ละคนละเรื่องคือพอเริ่มต้นก็ เอานิ่งแหละพอเอานิ่งปุ๊บมันก็เล่งสปีดพุทโธเพื่อจิตมันนิ่งไม่นิ่งก็ทีนี่ทำไมมันไม่นิ่งก็ทีทำไมมันไม่สงบก็ทีทําไมมันนิ่งก็ทีทําไมไม่สงบก็ทีมันไปเอานิ่งเอาสงบแต่พระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ต้องการเนี่ยสติสติตัวเดียวสติตัวเดียวไม่ต้องการว่าจิตจะนิ่งหรือสงบหรือไม่สงบต้องการสติสติอันเดียวสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์ สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีไม่ทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพันธิผ่า น, านสติอันเดียวไอ้ที่ต้องการเนี่ยคือเอาพุทโธมาล่อสติไว้ต้องการเอาพุทโธเนี่ยมาล่อสติไว้ ตรงนี้มันไม่วางเป้าหมายมันไม่ไม่ไม่ทิ้งเป้าหมายตรงนี้ท่าทีพูดพูดกี่ครั้งมันก็เป้าหมายมันคือนิ่งจิตมันไม่นิ่งท่ทีโมโหจิตมันไม่นิ่งท่ทีเมื่อไหร่ก็ฝ่าจิตนิ่งแล้วมันไม่นิ่งท่ทีมันไม่นิ่งไม่ได้นิ่งท่ทีมันไม่ทิ้งเป้าหมายท่าทีไม่รู้แปลกมากเลยอ่ะมันไอเป้าหมายบางคนละเป้าหมายเลยพอะพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ต้องการพุทโธมาล่อสติไว้แต่เราเนี่ยเล่งพุทโธ จะไปเอาจิตนิ่งพอไม่ทันจะพุโทโธจิตมันนิ่งไปก่อนแล้วนิ่งเงียบกิฟต์ทาไมทําไปยิ่งดํามืดไปทุกทีอย่างเงี้ยแทนที่มันจะสว่างสวยัยเจิดจ้าเหมือน ด, ดังดวงอาทิตย์มันทําไปยิ่งมืดไปมืดไปมืดไปเพราะอะไรมันเป้าหมายมันคนละเป้าหมายาพระเจ้าพระว่าแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยต้องการสติ สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายทำหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิมหาปัญญาเป็นพระนิพพานสติอันเดียวสติอันเดียวจะเอาหลายนี่สติอันเดียวอย่าเอาหลาย น, AL, ยาาายนี่เห็นไหมธรรมะแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงที่สติเนี่ยเดี๋ยวอีกแล้ โมโหมาบ่นเลยนะทำไมจิบมันไม่นิ่งกะทีเฮ้ยทำมันกันไม่นิ่งกะทีมันคอยจะคิดเรืยไม่นิ่งกะทีแล้วไปยังไงอะพูดอย่างมันไปอีกอย่างพูดอย่างไปอีกอย่างเหมือนกับอกว่าเขาบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่เดินทางไปทางเหนือเราออกพอเริ่มต้นก็ออกทางใต้ ย, ยันเลยออกไปนครปฐมไปราชบุรีไปเพชรบุรีแล้วบอกจะไปไหนจะไปเชียงใหม่แต่จะไปเชียงใหม่เริ่มต้นออกเดินทางไปทางทางทิศใต้เขาบอกว่าเชียงใหม่มันอยู่ทิศเหนือมันไปคนละทิศอ่ะ วันนี้หรือปล่าค่ะหลวงตาที่ทําให้ไม่อึดอัดก็ใช่อ่ะสิมันเราทําให้ฟังทําไม่รู้เรื่องกี่ปีมาก็ไม่รู้เรื่องตรงเนี้ยเราทําให้ทําให้เนี่ยแตะไม่ได้ก็เป็นทุกเนี่ยหลายคนก็เป็นเราไม่อยากจะพูดว่าเราเราอุตส่าห์พยายามตั้งใจจะไม่ไม่พูดติใครไม่ว่าไม่ว่าใครนะแต่ถ้าไม่บอกมันแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยติได้ค่ะหลวงตาใครก็บอกว่าเราชอบว่าชอบติ เราปูสาตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไม่ว่าใครไม่เตะใครต่อไปแล้เนี้ยแต่เพราะไม่เจาะจงไม่บอกมันก็ไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยผิดพูดรวมๆไปมันก็ไม่ไม่รู้ทีว่าเราผิดไอ้เราก็โดนว่าเลยว่าเราชอบว่าชอบว่าไอ้เราก็เออเราก็ยอมรับแล้วเราก็มีข้อบกพร่องข้อเสียคืเอเราก็จะไม่ว่าใครีพูดรวมๆไปมันก็ไม่รู้เรื่องททีว่า ไอเรานี่ยแหละแต่ตัวเราเนียแหละพูดล้วมๆไปไม่ไอเราเราไม่ผิดสักทีเราไม่เป็นเราก็ไม่ไม่ใช่เราสักทีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้จะว่ายังไงอ๋อคือมันมันถ้าเราไปมันตั้งเป้าหมายผิดมันไม่ยอมวางอ่ะผมไม่บอกเจาะจงตัวแล้วมันก็ไม่วางมันไม่วางอ่ะมันได้ปล่อยมันทําผิดมันกัดอยู่นั่นแหละเราพูดว่าอย่างนี้อย่างเนี้ยมันก็จะตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยแล้วผลเสียมันตามมาคือ เวลาพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกสติอันเดียวสติอันเดียวไปหาใครก็สติอันเดียวแล้วปู่คําตันสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติมีสมาธิมีปัญญามีหลวงตามมหาบัวสติเป็นมหาสติมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานหลวงหลวงปู่ทาจารย์ลุทธโมสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจปล่อยวางที่ใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธดูว่าในใจเรายังอยู่ไหมพุทโธพุทโธเราเนี่ยเปิดใจเป็นบ้าน อรัตนาเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเอาพระธรรมพระรีศสง์พระอรหันต์มาไว้ในใจรวมลงที่พุทโธพุทโธพุทรู้ผู้ตื่นพุทเบิกบานเอาใจเราเปิดใจเราให้เป็นบ้านแล้วอรัตนาพุทโธพุทโธก็คืออรัตนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์มาไว้ในบ้านในใจของเราเราเนี่ยอ้าวอรัตนาทีทีทีทีทีทีไม่ได้ใจลืมนะนะครับคือว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสติอันเดียวอย่าเอาหลายสติอันเดียวสติอันเดียวเนี่ย เราก็อ่อยกันทำไมจิตมันไม่นิ่งกะทีเอทำไมจิตไม่นิ่งกะทีเอาแต่จิตนิ่งเอาแต่จิตนิ่งมาโหมันชอบคิดมันชอบคิดมันไม่นิ่งกะทีมันชอบคิดเ น, น, น, นี่ยเขาเอาตัวพุทธโธคําบริการพุทธโธเนี่ยเป็นตัวลอ่อสติให้มันรู้สึกตัวอยู่เป็นตัวล่อสติมันรู้สึกตัวอยู่เนี่ยให้มีพุทธโธด้ยวยความรู้สึกตัวมีสติคอยตั้งเกรดคอยควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่ง มันสติสัมปชัญญะมันก็แทบจะเป็นคําเดียวกันคือสติสติอมันระลึกรู้สติมันแปลภาษาจริงๆคือระลึกรู้ไว้ว่ายังบริกรรมพุโทโธอยู่ไหมแล้วก็สัมปชัญญะแปลว่ารู้สึกตัวอรู้สึกตัวตัวพร้อมสติแปลว่าระลึกรู้สัมปชัญญะแปลว่ารู้สึกตัวแต่เวลาพูดรวมๆกันก็บริกรรมด้วยความรู้สึกตัวและมีสติเนี่ยไปคอยควบคุมไว้ว่าสังเกตไว้ตลอดเวลาว่ามันยังรู้สึกตัวอยู่ไหมยังต่อเนื่องไหมรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไหม สติอะเป็นตัวควบคุมอีกชั้นหนึ่งให้มันรู้ว่าไอความรู้สึกตัวมันยังอยู่ไหมอ่ะบริกรรมพุทโธอยู่ในความรู้สึกตัวไหมเวลาพูดสติมันเลยรวมสัพชัญญะไปด้วยก็เลยพูดคําเดียวอะเนี่ยมันบริกรรมพุทโธด้วยความรู้สึกตัวไหมยังต่อเนื่องไม่ต้องการความรู้สึกตัวมันจะรู้สึกตัวได้กับต่อเนื่องไม่ขาดสายกัเพราะสติมันควบคุมไว้ว่าความรู้สึกตัวมันยังอยู่ไหมโดยมีพุทโธเป็นตัวล่อไว้พุทโธเนี่ยเป็นตัวล่อเป้าไว้แต่เราก็ จะเอาพุทโธไปแล้วก็เริ่มต้นก่อนนิ่งเลยจะเาเฉยนี่ผมเราเห็นแล้วพอพอเริ่มต้นนั่งอย่างที่มันทีมันยังไม่เริ่มพุทโธเลยมันเอาจิตนิ่งไปก่อนแล้วนำหน้าไปก่อนแล้วมันเลยผิดเป้าเข้าใจไหมเนี่ยมันผิดเป้ามานานแล้วเนะ่ตอนนี้เราผลเสียมันตามมาคือมันทําให้กระทบไม่ได้แตะไม่ได้น้ําตาไหลแตะปุ๊บมโหแต่ละคนมันมันวางเป้าผิดไว้ตั้งแต่แรกคือมันจ้าจิตนิ่งจิตเฉย พอใครกระทบก็ไม่ได้สามีกระทบก็ไม่ได้ลูกกระทบไม่ได้คนอื่นก็อาจจะครูบาอาจารย์ก็กระทบไม่ได้น้ําตาไหลใจน้อยเดียวเลยถต้องกินยาอาันี้โทษมันร้ายแรงนะถึงขั้นกินยาเลยนะเนี่ยกินยาถึงขั้นต้องไปหาหมอจิตแพทย์กินยาเลยนี่โทษมันร้ายแรงนะไอ่ผิดเนี่ยเวลาผิดมันผิดร้ายแรงนะี เขาต้องบอกการปฏิบัติต้องมีครูบาอาจารย์ต้องเชื่อครูบาอาจารย์แล้วต้องฟังให้ดีเนี่ยอย่าฟังผิดแล้วก็ตั้งเป้าไว้ผิดแล้วก็เวลาบอกแล้วว่เอาอย่างที่เราตั้งไว้อ่ะจะบอกให้ก็ออย่างที่เราตั้งไว้เอาใหม่ล้างใหม่ล้างใหม่เลยไอ้ต้องการเอาพุโทโธเนี่ยเป็นตัวล่อลอล่อส ต, ติล่อความรู้สึกตัวนอันเนี้ยแทบแต่ทั้งนั้นเลยไม่ได้ว่าใครเลยเนี่ยไม่ได้ว่าเจาะจงไม่อยากจะเจาะจงแต่ละคนและคนเลย ก็เห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยมันเอาแบบของเดิมของตัวเองอ่ะเอาของเดิมของตัวเองเนี่ยเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันจะนิ่งอาจิตใจจะนิ่งแล้วก็มาโหมันไม่นิ่งทุกทีมันชอบคิดแล้วพยายามจะดับคิดให้หมดเลยจะดับหมดให้ไม่คิดอะไรนิ่งอย่าเงี้ยได้ความรู้สึกตัวมันหายไปไหนมันต้องการความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าขาดความรู้สึกตัวสัอย่างเดียวทําอะไรขาดความรู้สึกตัวเฉยงเดียวไม่ได้เรื่องได้ราวเลยน้ําร้อนลวกได้เวลาทำกับข้าวทำอะไร ขาดความรู้สึกตัวเมื่อทำอะไรไม่รู้สึกตัวน้ำร้อนลวกได้เมื่อเดินลงบันไดตกบันไดได้หยิบของแล้วเมื่อไม่รู้สึกตัวของตกแตกได้ขับรถไปเม่อขับรถไปชนกันได้เพราะะนั้นอีกความรู้สึกตัวเนี่ยสติเนี่ยมันสำคัญที่สุดในทุกสถานทําอะไรก็ต้องมีความรู้สึกตัวไม่งั้นทำอะไรผิดผิดพลาดลาดบริกรรมก็ต้องบริกรรมด้วยความรู้สึกตัวเข้าใจไหมเนี่ย อ๋อม uh, be sure. ันชัดเจนเอาดูซิเอะมันจะได้ทําให้ถูกไม่นจะว่ากดหนักให้มันนิ่งแล้วก็ไม่ได้ใจจิตมันนิ่งตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ให้มันเบาๆามันทําตรงกันข้ามหมดอ่ะเขาบอกให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้คือให้แตะรู้เบาเบาให้กายเบาใจเบาแตะรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยแตะรู้ให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยเบาเบาอยู่กับคําบริกรรมพุทโธให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายกายเบาใจเบาเบาที่เบาที่สุดเท่าที่เราจะเบาได้ มันยังเบาไม่ได้กับเบาก็ไมไอีกเบาก็มไดอีกเบาว้อีกเบาก็ไม่ได้อีกให้กายเบาใจเบาด้ความรู้สึกตัวเบาเบาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุที่สุทโธรุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพาทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ่พุทโธพุทโธพาทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทแต่เราเนี่ยเริ่มต้นทนักอึดเลย กดหนักนิ่งเลยเพื่อจะให้มันนิ่งมันเลยผิดเพราะว่าเริ่มต้นก็สวนทางเลยคือกดหนักนิ่งไปเลยจะให้มันนิ่งเนี่ย ม, ม, มันตนตรงกันคล้าแบบเนี้ย